มูลเหตุแห่งวิวาทะ6 272ในหัวข้อเหล่านั้นมูลเหตุแห่งวิวาทะ6ประการคือภิกษุในธรรมวินนย1เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา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 และยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 2. เป็นผู้ลบปลูกตีเสมอละ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรหนีและ 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมายา ละห้าเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิละหกเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรันสละสิ่งที่ตนถือมั่นได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรันสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้น